พะมังคโลโเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามกับคุณพิชานปานปรีชาพิธีกรรายการพบผู้นำของเคเบิลทีวีช่อง15ราชบุรีซึ่งได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ คุณและพิช า, ปานปราณตีชาได้ซักถามกับหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลอาตมาจึงขอนำสารธรรมจากรายการพบผู้นำตรงนั้นมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้ความกระจ่างเกี่ยวกับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามและช่วงท้ายยังมีกิจกรรมการบุญการกุศลที่น่าสนใจตอนนี้ขอเชิญสาธุชนมาพร้อมใจกันตั้งใจสดับ ขอคิดและหลักธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลโดยพร้อมกันครับจเจริญสุขเชิญพรก่อนอื่นรายการพระผู้นำต้องขอกราบขอบพระพคุณหลวงพอ่อที่กรุณามเมตตามาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับอ๋เอเชิญพรหลวงพ่อครับเรื่องที่อยากจะขออนุญาตเรียนถามแล้วก็ขออนุญาตให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องความเป็นมาของวัดหลวงปรสตธรรมกายยารามมีความเป็นมาอย่างไรจุดเริ่มเดิมที ความมุ่งมั่นความตั้งใจของหลวงพ่อที่มาสร้างวัด ต, ตรงนี้เป็นยังไงครับหลวงพ่อครับอ๋อเจริญพรเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านกล่าวถึงความเป็นมาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นว่าที่จริงก็ได้ริเริ่มในเรื่องนี้มาเป็นเวลานานเริ่มตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2518 ในขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองนั้นวุ่นวายสับสนเป็นอันมากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องแก้ปัญหาทางการเมืองหรือการบ้านเมืองอย่างมากมายบางท่านถึงกับต้องใช้ยากล่อมประสาทรับทานเป็นกรรม ในครั้งนั้นอัตมาภาพก็ได้ เ, เข้าไปศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุณีรอศดจันทสโรท่านได้ปฏิบัติถึงธรรมกายตามรอยบาทพระพุทธองค์และได้สั่งสอนศิษยานุสิ์ในวิธีการปฏิบัติการเจริญภาวนาธรรม อย่างนั้นเมื่ออาตมาได้เข้าไปศึกษาเราเรียนแล้วในระยะเบื้องต้นก็ปรากฏว่าลูกๆอาตมาก็ลืมกล่าวไปตั้งแต่ต้นว่าในขณะนั้นอาตมายังใช้ชีวิตเป็นค้ารหักผู้ครองเรือนทำงานอยู่สำนักข่าวสารอเมริกันในกรุงเทพนี้เองเมื่อ ได้ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วปรากฏว่าลูกๆได้ปฏิบัติถึงธรรมกายคนโตอายุ14ขวบคนกลางก็13คนเล็กก็12บสอวบเด็กที่ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นเธอเองนั้นก็เรียกว่าไม่เดียงสาในการปฏิบัติธรรมหรือได้เรียนรู้หลักธรรมเหมือนผู้ใหญ่เมื่อพาเธอไป ฝึกเจริญภาวนาธรรมเธอก็ไปปฏิบัติแต่เมื่อเธอปฏิบัติแล้วปรากฏว่ามีความก้าวหน้าคือปฏิบัติได้ถึงธรรมกายและเมื่อได้ระยะเวลาพอสมควรแล้วเด็กๆที่ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นอัตมาภาพได้ขอกับครูผู้สอนว่าอยากจะทราบว่าโยมพ่อที่ได้ เสียชีวิตไปเมื่ออาตมาอายุ20ปีนั้นท่านไปเกิดในภพภูมิใดนี่ในเบื้องต้นก็ครูก็หลังจากที่ให้เด็กๆคือลูกสาวของอาตมาที่ปฏิบัติได้ผลดีนั้นเจริญฌานสมาบัติจนจิตสะอาดหรือสงัดหรือสงบจากกิเลสมีวอนเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็ให้ตรวจท่าธรรมของโยมพ่อซึ่งก็คือปู่ของเด็ก ว่าเมื่อโยมพ่อตายไปแล้วนั้นไปเกิดในภพภูมิใดอาตมากล่าวย่อเลยจะได้ไม่เสียเวลาก็ปรากฏว่าเด็กๆ เ, เห็นโยมพ่อไปเกิดในนรกขุมที่หได้ถามบุพกรรมของโยมพ่อก็ปรากฏว่าอาตมาไม่ได้ถามเองแต่ว่ า, าได้ตั้งคําถามให้กับลูกๆเขาสอบถามทางจิตใจ เีกว่าไม่ต้องใช้คําพูดนะใช้ใจถามสําหรับผู้เจริญภาวนาไปถึงอย่างนั้นแล้วใช้ใจถามตอนนี้นเมื่อถามอุปรกรรมของโยมพ่อปรากฏว่าโยมพ่อนั้นเพราะเวนสุราคือดื่มสุราเพียงเช้ากงเย็นกงเท่านั้นแหละเพียงเพื่อรับทานอาหารอร่อยไม่ได้เมาไมยมีก็ดื่มไม่มีก็ไม่ต้องดืง่มเป็นอยู่อย่างนั้นจนตลอดชีวิตแล้วท่านก็ ต้องจากไปเมื่ออายุเพียงห้าสิบสี่ปีแล้วก็ปรากฏว่าด้วยบุพกรรมคือเวณสุรานั้นนั่นเองทำให้โยมพ่อได้ไปเกิดในสัตว์ในในนรกขุมที่ห้าเป็นสัตว์นรกก็มีลักษณะเหมือนคนและทีนี้ถ้าจะถามว่าทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นโยมพ่อจริงอันนี้ได้มีการสอบรู้สอบยานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถามว่าเมื่อ ขณะที่ตายนะ่ยโยมพ่อแต่งตัวอย่างไรเด็กทั้งสองตอบตรงกันตามที่โยมพ่อแต่งตัวที่ศพหมายถึงศพที่ก็แต่งตัวนะั้นอย่างไรก็จึงเป็นอันเชื่อแน่ได้ว่าเป็นโยมพ่อแน่นอนอันนี้ทําให้อัตมาเกิดทําสังเวทสลดจิตว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นแต่เป็นทุกข์ข้ามพบข้ามชาตินี่เป็นเรื่องสําคัญที่อัตมาประทับใจในวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ําสอน นอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นอีกว่ามีครั้งหนึ่งที่มีสุนัขมาร่วมกิจกรรมกันในระยะไม่ห่างไกลนะอันนี้ครูก็ต้องการให้ทราบถึงบุปกรรมเหมือนกันว่าเพราะเหตุใรก็ให้เด็กตรวจดูท่าธรรมของสุนัขนั้นถอยหลังสืบต่อไปโดยกรรมวิธีเดียวกันก็ปรากฏเห็นถอยหลังไปชาติที่1นับจากที่เป็นสุนัขนี้นะ ก็ยังเป็นสุนัขอยู่ชาติที่สองก็ยังเป็นสุนัขก็กนับเป็นชาติที่สามถ้านับกับปัจจุบันเพราะชาติที่สี่เป็นคนเห็นเป็นคนเป็นกายมนุษย์ละเอียดและได้ถามบุพกรรมได้ดูบุพกรรมปรากฏว่าสุนัขตัวนั้นที่มาเกิดเป็นสุนัขเพราะผิดศีลข้อการเมสุมิชาจารย์ตัวอย่างเหล่านี้จากเด็กที่ไม่เรียงสาในพระพุทธศาสนาแต่ เธอปฏิบัติธรรมตา ม, ตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ําสอนให้ถึงธรรมกายนั่นตรวจบูปกรรมดูได้อย่างนี้ถ้าไม่อาตมาเข้าใจถึงอริยสัจ4ี่ที่พระพุทธองค์สอนว่าทุกขเป็นอย่างไรเหตุแห่งทุกขคืออะไรและสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรพอสมควรและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ คือศีลสมาธิปัญญาและอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี้มีในในอริมักในองค์แปดนั้นเองเป็นทางให้บรรลุมรรคผลมิพานได้ทีนี้อาตมามีความประทับใจอย่างนี้และหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ต่อมาซึ่งตัวอาตมาเองก็ไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ผลนะคุณโยมยังไม่ได้ผลที่จะถึงธรรมกายนะอาศัายข้อมูลจากเด็กแต่ว่าเชื่อถือได้เพราะเด็กไม่มีภูมิรู้มาก่อนและประการสําคัญที่สุดก็คือว่า เมื่อเด็กเจริญภาวน า, าค่อนข้างจะชำนาญดีแล้วได้ทราบต่อไปว่าวิชาธรรมกายนั้นช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้ตามสมควรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในวิช า, าธรรมกายชั้นสูงด้วยความประทับใจนี้นี่แหละซึ่งอาตมาได้มีประสบการณ์สืบต่อมาก็จะกล่าวย่อ่ว่าอาตมาจึงได้ ขอจัดตั้งโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้าประสีเจริญขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยจัดรายการวิทยุออกอากาศรายการธรรมะปฏิบัติเป็นรายการ30นาทีครึ่งเวลาแรกเป็นรายการหลักธรรมและก็ครึ่งรายการหลังเป็นปฏิบัติภาวนาธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุทั่วราชณาจักรนี้กว่า30สถานี และหลังจากนั้นมาอาตมาภาพมีความประสงค์ที่จะเปิดสอนโดยอารัธนาพระวิปัสนาจารย์มาสอนภาวนาธรรมแต่ก็ไม่สะดวกที่วัดปากน้ำจึงได้จัดตั้งโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกต ร, ราชวรวรมหาวิหารขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นประธาน แล้วก็มีวัตถุประสงค์สาคัญในเบื้องต้นเพื่อจะสร้างเป็นวัดและเพื่อจะเปิดการอบรมพระกรรมฐานแก่สาธุชนในส่วนกลางกรุงเทพมหาคนครแล้วจัดหาที่เพื่อที่จะจัดตั้งเป็นวัดเพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการให้การศึกษาอบรมได้จึงได้จัดตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช2524เมื่อมีผู้บริจาคที่ดิน30ไร่และขายที่ดินในพื้นเดียวกันนั่นแหละส่วนที่เหลืออีก42ไร่ครึ่งอยู่ริมถนนสายบางแพร่ดำเนินสรดวจังหวัดราชบุรีอัตมาก็รับที่นั้นและก็ซื้อที่นั้นโดยหา คณะกรรมการทั้งหลายช่วยกันลงขันคนละ1 0 0 0 0แสนบาทซื้อเขาในราคา8 0 0แสนบาทซึ่งจะต้องชำระภายในปีเดียวจึงได้จัดตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเพื่อรับเป็นเจ้าของถือกรรมสิท ธ, ธิ์ที่ดินและเพื่อจัดการทางด้านทรัพย์สินและการเงินของสถาบันที่เรากำลังจะตั้งสืบต่อไป ทีนี้ในปีพุทธศักราช2525อัตมาจึงได้เปิดการอบรมพระกรรมฐานขึ้นเป็นครั้งแรกในปลายเดือนกุมภาพันธ์มาถึงวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2525โดยประกาศยังพระภิกษุทั่วประเทศเที่เป็นหลักๆขอเชิญขอรัธนามาอบรมพระกรรมฐาน วัตถุประสงค์สำคัญตอนนี้ก็คือเพื่อสร้างพระในใจตนและเพื่อสร้างพระในใจคนอื่นเมื่ อ, อท่านทั้งหลายได้มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติทั้งหลักประยัดและวิธีปฏิบัติได้ผลสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติแล้วจะได้นำวิธีการปฏิบัติภาวนาตามที่หลวงพ่อวัดปากน้าสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นไปเผยแผ่ อย่างท้องที่ของท่านจึงเปิดการอบรมครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2,525 ดังกล่าวแล้วและต่อมาในปีพุทธศักราช 2,525 นั่นเองในเดือนธันวาคมได้เปิดการอบรมอีกเป็นครั้งที่สองก็ได้เชิญเสด็จพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรชชายาในสมัยนั้นมาเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาในประสงค์ขึ้นและ ได้เปิดการอบรมพระกรรมฐานเป็นระยะเวลา15วันและหลังจากนั้นมาอัตมายังอยู่ในเพศครืหัส์อยู่เนยะก็ได้จัดการเปิดการอบรมพระกรรมฐานทุกปีเป็นประจำปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึง15พฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีสืบต่อมาแล้วก็ มูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนั้นได้ตั้งอยู่ที่วัดสเกต ร, ราชวรามาวิหารพร้อมทั้งเปิดการอบรมพระกรรมฐานสอนศีลธรรมและภาวนาธรรมที่ศาลาอนเนกการเปลี่ยนวัดสเกตเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยมาสร้างเป็นวัดเจริญพรครับขอบพคุณพระเถรพระคุ ณ, คณหลวงพ่อครับนั่นคือจุดเริ่มแรกจุดเริ่มเดิมทีในการที่ก่อนที่หลวงพ่อจะเข้ามาในจุดของ วิชาธรรมกายตรงนี้ครับช่วงนี้คงจะต้องพักสักครู่ครับยังมีอีกหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะคงจะต้องขออนุญาตเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าจริงๆและการสร้างวัดปัจจุบันนี้บางท่านบางคนอาจจะอยากสร้างวัดในเมืองแต่ทําไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงสร้างวัดในชนบทครับช่วงนี้พักสักครู่ครับปูชาจะปูชนียานะังเอตัมมังคละมุตตัง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 ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล ช่วงที่สองของพบผู้นำครับวันนี้พบผู้นำได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคาโลเจ้าวาดวัดหลวงพศธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับที่หลวงพ่อได้เมตตา ม, มาเล่าหลายๆเรื่องของวัดหลวงพศให้พวกเราได้ฟังกันครับหลวงพ่อครับเมื่อสักครู่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องการลลึกชาติได้ตรงนี้ถ้าเรามองในแง่พุทธศาสนาเป็นยังไงครับหลวงพ่อครับเออเจริญพรแต่จะว่าจริงๆแล้วการ ล, ลึกชาติได้นี่ สำหรับในวิชาการทางพระพุทธศาสนานั้นให้เข้าใจด้วยเลยว่าผลของการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นมีผลโดยตรงจากการปฏิบัติในเชิงพิสูจน์และทดลองได้เพราะฉะนั้นอาตมาแค่จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนานของเรานั้นเป็นวิทยาศาสตร์แท้ จะพูดภาษาต่างประเทศเขาเรียก natural science คือเป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติหรือ pure science ซึ่งสามารถที่จะเห็นผลได้ด้วยการปฏิบัติทดลองปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ข้อมูลที่ได้จากผลของการปฏิบัตินั้นอันนี้อาจจะมาพูดอย่างธรรมดานะในเรื่องของการอนุกชาตินั้นก็สืบเนื่องแต่ว่าผู้ปฏิบัติใดที่มีมศีลบริสุทธิ์ แล้วเจริญภาวนาสมาธิถึงขั้นฌานจิตชําระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจโปร่งใสจากกิเลสนิวรณ์แล้วก็จะเกิดอภิญญาความสามารถพิเศษมีที่ประจักษสุด ท, ที่ประโสนิเป็นต้นนั้นนั่นเองประกอบเป็นวิชาตัวชวช้างสองตัวนะเป็นวิชาก็เป็นความสามารถพิเศษสามารถจะระลึก ช, ชาติได้และเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ แปลกประหลาดอะไรสำหรับผู้ปฏิบัติเ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัพพุธญาณ น, นั้นในยามต้นแห่งราตรีก็ได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงฌานที่สเมื่อจิตใจสงบจากกิเลสมิวร์เครื่องกั้นปัญญาแล้วทรงน้อมไปเพื่อตุพเพในวาสานุสติญาณ น, นั่นระลึกชาติได้อันนี้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมา ก, ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นร่วงนี้ถ้าหากท่านผู้ใดสงสัยขอเชิญไปปฏิบัติที่วัดหนปรพสดธรรมกายรามในระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นปลายปีเป็นรุ่นที่3ามสิบเก้าสาสบหขอภอภัยจะมีการปฏิบัติระหว่างวันที่หนึ่งถึงส4บธันวาคมอันนี้จเจริญพรให้ทาราบคร่าวๆและขอแถมอีกนิดหนึ่งว่าท่านทราบ หรือไม่ว่าทุกศาสนาเนี่ยมีการกล่าวเรื่องนรกสวรรค์และนั่นหมายความว่าทุกศาสนายอมรับว่ามีนรกสวรรค์แต่การจะเห็นนรกสวรรค์นั้นศาสนาอื่นเราพูดไม่ได้เราพูดว่าศาสนาพุทธของเรานั้นสามารถจะปฏิบัติเพื่ อ, อพิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้จรืครับ ก็คงจะเป็นที่กระจ่างนะครับตรงนั้นคือหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังครับแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากจะรู้ลึกมากกว่านี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงกําหนดการที่จะมีการประพฤติปฏิบัติในเดือนธันวาคมที้ถึงนี้ด้วยครับหลวงพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนคงอยากจะทราบตรงนี้ผมต้องขออนุญาตขอให้หลวงพ่อได้เมตตาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังตรงนี้ถือว่า ในการสร้างวัดนั้นบางท่านบางคนอาจจะมองการสร้างวัดไปที่สถานที่ที่มีความเจริญแต่ในส่วนของวัดหลวงพ่สถธรรมกายารามเองสร้างวัดในทิณในชนบทตรงนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างยังไงครับท่านผู้ครับก็สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์เดิมที่อาตมาได้กล่าวไว้เป็นประการที่1ว่าเพื่อสร้างพระในใจตนและเพื่อช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นที่ว่าสร้างพระในใจตนนี้สามารถจะกระทําได้ด้วยการศึกษาหลักธรรม เรียกว่าปริยัติสัจธรรมและเมื่อได้ศึกษาหลักธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนี้เรียกว่าปฏิบัติพระสัทธรรมแปลว่าจะต้องทั้งศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติพระสัจธรรมเพราะฉะนั้นในการจะสร้างพระในใจคนในใจตนเองได้ จนถึงมีประสบการณ์ได้ผลของการปฏิบัติและช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นได้นั้นอัตมาภาพมีความจําเป็นรหรือเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ว่าจะต้องมีสถานที่ที่สปายะคือที่สงบที่สะอาด ท, ที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่เลือกทำเลในเมืองจะเลือกทําเลในชนบท และก็จะต้องปรับปรุงพื้นที่นั้นให้เป็นที่สะอาดสงบร่มรื่นอย่างนั้นก็จึงได้รับบริจาคที่ดินดังกล่าวแล้วอยู่ริมถนนสายบางแพร่ดำเนินสะดวกเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเดิมเป็นท้องนาไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวนั้นให้เป็นป่าที่ร่มรื่นท่านผู้ใดผ่านไปก็จะเห็นว่าเป็นเสมือนป่าเดี๋ยวนี้เกือบจะเรียกว่าป่าดงดิบซะแล้ว แทบจะมองไม่เห็นกุตินี่เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสงบแล้วก็เป็นที่เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่หนึ่งเพื่อไปเสริมวัตถุประสงค์ว่าเพื่อสร้างพระในใจตนและเมื่อปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็เพื่อสร้างพระในใจคนคือคนอื่นนี่อาตมามีวัตถุประสงค์ที่จะอบรม พระภิกษุโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความสนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นให้มาเรียนรู้หลักปริยัติและให้มารู้หลักปฏิบัติตามพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติได้ผลถึงธรรมกายตามรอยบาทพระพุทธองค์แล้วนั้นใหไดเรียนรู้ทั้งปริยัตดและปฏิบัติใหไดผลสมควรแกธรรมะปฏิบัติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒินี่แหละพระวิทยากรจะต้องมีความรู้อย่างนี้มีประสบการณ์อย่างนี้และให้มีศีลาจารวัตที่งดงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทอื่นๆเพื่อจะได้นําเอาประสบการณ์ความรู้จากการมาศึกษาอบรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี้ไปเผยแพร่ในสถานที่ของท่านหรือในอวัดของท่านหรือสํานักของท่าน อ่าเจริญพรครับหลวงพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคงจะเป็นจุดประสงค์หลักของของวัดหลวงพ่อสดตรงนี้ก็คือในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาโดยเฉพาะยงยิ่งในต่างประเทศด้วยจเจริญพรเอ่อความจริงเอ่ออาตมาภาพได้เห็นคุณของการปฏิบัติพระสัตย ธ, ธรรมตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสรูท่านได้ปฏิบัติถึงธรรมกายและสอนศิษยานุศิษย์ จนเรียกว่าตลอดชีวิตของท่านจนกระทั่งท่านอาพาธแล้วท่านจิงสอนไม่ได้และหลังจากนั้นก็ได้มีการสื่อต่อธรรมะปฏิบัตินี้ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนั้นมีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอยู่ 2- อสาประการซึ่งอาตมาจะกล่าวให้ทราบประการที่1คือให้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็น ตรงนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงมากถ้าจะกล่าวในทางพระก็คือว่ามีความเข้มข้นในทางปฏิบัติในระดับสมถะภาวนาคืออบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงด้วยอุบายวิธีที่สําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถจะเจริญไปถึงฌานสมาบัติได้เมื่อถึงธรรมกายแล้วหรือแม้แต่จะต่ํากว่านั้นก็จเจริญฌานสมาบัติสมาบัติได้ เป็นผลให้เกิดอภิญยาและนั่นนั่นเองสามารถประกอบเป็นวิชาเป็นความสามารถพิเศษให้สามารถเจริญปัญญาได้จากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนี่เป็นคุณประโยชน์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเจริญวิชาชั้นสูงคือวิชาธรรมกายชั้นสูงแล้วก็มีผลเป็นการช่วยบำบัดทุกข์บำรงบำรงสุขแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้มากซึ่งเรื่องนี้ ก, ก็ยาว เพราะฉะนั้นอัตมภาพเห็นผลตรงนี้อย่างชัดเจนจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายหลายท่านตัวเองนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้บรรลุคุณธรรมพิเศษสูงอะไรนะก็เพียงแต่ว่าพอมีประสบการณ์บ้างเห็นคุณของพระพุทธศาสนาจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่สมควรจะเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นให้กว้างไกลออกไปยังต่างประเทศด้วยและภายในประเทศด้วย เพราะฉะนั้นเมื่ออัตมาภาพได้ลาออกจากราชการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ได้มาบวชเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2529เป็นต้นมานั้นในขณะนั้นได้เผยแผ่ธรรมปฏิบัตินี้ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกันทุกปี โดยไปสอนที่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆและก็นอกจากสาหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นในประเทศเอเชียอย่างมาเลเซียเป็นต้นก็ได้ไปสอนอทีนี้ก็หลังจากนั้นก็ได้จัดตั้งเป็นวัดสมความมุ่งหมายในเบื้องต้นที่ได้ตั้งไว้ว่าตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชารรมกายขึ้นเพื่อจะจัดตั้งเป็นวัดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ได้รับการประกาศ ตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2534ภายหลังจากที่ได้สร้างเสนาสนะคือที่พักสงฆ์อุโบสถและศาลาอนเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นทีนี้การเผยแผ่ในต่างประเทศนั้นก็ได้กระทําต่อเนื่องกันมา4ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็จําต้องหยุดเพราะว่าพระมหาเถระผู้ใหญ่ประสงค์จะให้อยู่เผยแผ่ธรรมะในประเทศนี้ให้มากที่สุดเพราะ การทำานที่จะ้ผลมีประสิทธิภาพสูงนั้นจเจ้าตัวต้องอยู่และต้องบริหารงานเองและสอนเองให้ลึกซึ้งและก็จะต้องกระทำะสื่อมวลชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเทพสอนภาวนาธรรมและอะไรต่ออะไรหลายอย่างจึงได้เผยแพร่หนักในประเทศสืบต่อมาหลังจาก4ปีนั้นเจริญพร ครับก็น่าสนใจทีเดียวครับโดยเฉพาะยงยิ่งในประเด็นที่การเผยแพ่พุทธศาสนาในต่างประเทศครับโอกาสหน้าต้องข อ, งขอกราบรัตนาในมณฑลหลวงพ่อได้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนการเผยแพรแ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเวลาค่อนข้างจำกัดครับเรื่องของวัดหลมงสดธรรมกายยาราม น, นั้นมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คงจะเป็นช่วงสุดท้ายครับหลวงพ่อครับในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนสําคัญมีวันสําคัญของชาติ กิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดตรงนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายท่านหลายคนเคยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วย่อมทราบดีบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปอยากจะข อ, อนุมทนาให้หลวงพอ่อเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกิจกรรมในเดือนธันวาคมครับหลวงพอ่อครับก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าในระหว่างวันที่1นึ่ถึงสิธันวาคมนั้น เ, เราจะได้จัดการอบรมพระกรรมฐาน เ, เป็นประจําทุกปีสําหรับปีนี้ ก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่36ก็ขอเชิญสาธุชนไปปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่4ถึง6ทธันวาคมนั้นเป็นระยะเวลาที่เราจะจัดให้มีการปฏิบัติภาวนาเจริญจิตตะภาวนาถวายพระราชกุศลแ ด, ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชเพราะฉะนั้น อรตมาภาพก็ค่จะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนไปร่วมเจเริญภาวนาธรรมจเจริญจิตตภาวนารักษาศีลถ้าว่ามีเวลาน้อยก็ไปอยู่ปฏิบัติระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้ามีเวลามากและสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้ก็ขอเชิญ ไปตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่14ทธันวาคมเลยทีเดียวเฉาเพาะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร น, นั้นก็ขออาราธนานำบาตรและอัฐบริคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งาบาตรกรดต่างๆเอาไปใช้ด้วยส่วนญาติโยมนั้นขอเชิญไปรักษาศีลแปดแต่งชุดขาวและอยู่ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาด้วยเจริญรับ ครับก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับในเดือนธันวาคมนั้นอย่าลืมนะครับที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นมีกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วยังเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับรายการพบผู้นําในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามครับที่ได้เมตตา ม, มาเล่าหลายๆเรื่องของวัดหลวงพ่อสด หลายๆเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้ครับขอบคุณประเดียวกับคุณครับ เ, เจริญสุขเจริญพรเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน